ทีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งขณะปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมจากการเักญชวนของคุณเอให้มาอยู่ที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมเพราะว่าคุณเอนี่เปิดบ้านาไว้เป็นชมรมเพื่อจะเผยแผ่ธรร ม, มะแลก็ พบปะกับญาติธรรมผมก็มาอยู่ที่นี่ในช่วงประมาณปีพศ2546คุณเอชักชวนมาก็เพื่อจะให้มาช่วยในการเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าที่ชมรมเพื่อนุณธรรมนี้มีายการวิทยุแลวก็มีการพบปะพูดคุยสนทนาธรรม กับญาติธรรมที่ต้องการจะมาสนทนาธรรมกันแล้วก็มีการผลิตสื่อในการเผยแพร่ธรรมะมีทั้งซีดีและหนังสือแล้วก็บางครั้งก็ถูกรับเชิญไปพูดอย่างน่องสถานที่ผมมาอยู่ที่ชมรมแห่งนี้ผมได้รับความสะดุกสบายเพราะว่าคุณเอนี่ ดูแลเรื่องความสะดวกหาสิ่งที่จาเป็นในการดำเนินชีวิตของคนพิการมาให้มันก็เป็นการลำบากที่จะแสวงหาเครื่องมือสนหรับคนพิการแล้วก็ได้จ้างคนมาช่วยดูแลและตอนนี้ผมก็มีอาการป่วยไข้ เก็บไข่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมะเร็งตับเป็นระยะสุดท้ายซึ่งมีความลำบากมากขึ้นกว่าตอนที่พิการถึงเราจะทำงานอะไรไม่ได้แต่ก็ยังได้พบปากการุณิธรรมบ้างเป็นบางโอกาสแต่คุณเอกก็ต้องทำงานนัเพราะว่าต้องทำหน้าที่พาผมไปหาหมอ บางทีก็พาหมอมาหาผมแล้วก็หาจัดหายาที่จาเป็นสาหรับคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเึ่งใช้สำหรับคนพิการแล้วก็มีสภาพที่ป่วยไขย้ครบครันแล้วเวลามียาติธรรมมาเยี่ยมเยียนคุณเอก็ช่วยรับรองแขกรับรองยาติธรรม ที่มาเยี่ยมก็ลำบากกว่าตอนที่ม่อยู่ใหม่ๆนี่หมถึงคนดูแลนะประโยชน์ราที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนอาสาสมัครมาช่วยดูแลลิรงระยะนี้ก็มีคนมาช่วยเหลือผมดูแลในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าผมไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ เหมือนเดิมอีกแล้วตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ชุมลมก็ประมาณ12ปีผมไม่ได้อยู่ที่ชุมลมด้วยความถูกกดดันกับสิ่งใดเลยและไม่ได้อยู่แบบหวานอคมขมกืนแต่พอยู่แบบสบายใจแล้วก็พอใจที่จะอยู่ต่อไปด้วยคุณเอเนี่ย ผมถว่าเป็นสะพานบุญสลหรับผมให้เราได้ทำหน้าที่ไปแปะธรรมะเราได้เห็นคุณค่าแล้วก็ความหมายของชีวิตก็ภาคภูมิใจในการที่ผมได้ทำหน้าที่นี้นั่นจองขอขอบคุณคุณเอแล้วก็ญาติทันที่อยู่ในชมรมเพื่อนกุตธรรมทุกท่านที่ได้ ช่วยเหลือผมด้วยดีตลอดมา